ทำบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธและนานาสารธรรมซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทศระทําคำนำจากผู้จัดพิมพ์เนื่องด้วยวาระดีถีขึ้นปีใหม่2553นี้บริษัทสีไทยใหม่จำกัดและบริษัทในเครือขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านพร้อมทั้งขอมอบหนังสือ คุณนสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธซึ่งเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์วสิณอินทศรระให้เป็นของขวัญแด่ท่านในวันปีใหม่ในปีนี้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ในสิ่งที่ชาวพุทธควรมีและควรประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานมีคำอธิบายชัดเจนประกอบด้วยเหตุและผลเพื่อผู้ที่เป็นชาวพุทธจะได้ดารงตนเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเพียงแค่ชื่อหากสังคมไทยได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสังคมก็คงจะมีแต่ความสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินอินทศระเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อพิมพ์เป็นสคสอ ข, ของบริษัท ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วและหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับข้อคิดและประโยชน์จากบทประพันธ์ของท่านไม่มากก็น้อยขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆขคุณบุญบา ร, รมีของหลวงตามหาบัวญาณสัมฟันโนและครูบาอาจารย์ที่เคารพโปรดคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเทิด ผู้บริหารและพนัก ง, งานทุกคนบริษัทสีไทยใหม่จำกัดคำอนุโมทนาจากผู้เรียบเรียนลูกพึ่งคือคุณรัชนีนันตรางคานุกูลกิตขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธเพื่อแจกในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2553ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความรู้สึกยินดียิ่ง หนังสือเรื่องนี้มีภาพพนวกอยู่หลายเรื่องด้วยกันล้วนแต่ส่งเสริมให้ชาวพุทธมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีถ้าปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวและแก่สังคมเป็นอันมากคนเราจะเป็นอะไรที่ดีได้ต้องเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติเช่นเป็นพ่อแม่ที่ดีต้องมีคุณสมบัติของพ่อแม่ เป็นลูกที่ดีต้องมีคุณสมบัติของลูกทำนองเดียวกันจะเป็นชาวพุทธที่ดีต้องมีคุณสมบัติของชาวพุทธคุณสมบัติดังกล่าวนี้รัพกุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อชาวพุทธทั้งหลายข้าพเจ้าขอโนโมทนาต่อกุศลเจตนาของลูกพึ่งที่จัดพิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายให้แพร่หลายออกไปให้สําเร็จประโยชน์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เป็นชาวพุทธที่ดี นับเป็นมหากุศลนแก่ผู้จัดพิมพ์ขอให้ลูกพึ่งมีความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำทุกประการยิ่งยิ่งขึ้นไปวสิณอินทศรระ15ธันวาคม2552คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธที่เป็นอยู่เวลานี้ชาวพุทธเราได้สูญเสียคุณสมบัติของชาวพุทธไปเป็นอันมาก ลองเอาหลักอันเป็นคุณสม บ, บัติของชาวพุทธหรืออุบาสกอุบาสิกามาตั้งแล้วพิจารณาไปทีละข้อก็ได้คือหนึ่งมีศรัทธาหมายถึงศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาในพระรัตนตรยัยแต่ชาวพุทธเราเวลานี้มีศรัทธาคือเชื่อในไสยศาสตร์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์ไสยศาสตร์ออกหน้าเอาพุทธเหมือนกัน แต่แฝงไว้กับไสยศาสตร์แม้จะทำพิธีอย่างพุทธแล้วแต่ก็มีจุดมุ่งหมายไปทางไสยศาสตร์เช่นการสวดมนต์ในพิธีต่างๆมุ่งไปทางขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มุ่งความรู้ความสงบอันเป็นหลักการของพุทธศรัทธาในพุทธศาสนา น, านั้นท่านสอนให้วางความเชื่อลงไปในเรื่องกรรมผลของกรรมสัตว์มีกรรมเป็นของของตนและพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ศรัทธาที่ร้ายเหตุผลตำราบางแห่งท่านจาัดศรัทธาไว้สี่อย่างหรืออีกปริยายหนึ่งคือหนึ่งอาคาัมมสนศรัทธาหมายถึงศรัทธาของพระโพธิสัตว์ต่อโพธิยานหลังจากได้รับพยากรแล้วเช่นศรัทธาของสุเมธดาบทเมื่อได้รับพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. โอกรมประนะศรัทธา ศรัทธาที่อย่างลงอย่างมั่นคงในพระรัตนาตรัยไม่คลอนแคลน 3. ภาษาท่ศรัทธาศรัทธาเพราะเลื่อมใสยอย่างยิ่งภาษาทะหมายถึงเลื่อมใสชื่นชมยินดีจิตใจผ่องใสเมื่อได้พบเห็นจึงเกิดศรัทธาขึ้นเพราะความเลื่อมสายนั้น 4. อธิคมะศรัทธาศรัทธาของภาริยาสาวกผู้บรรลุมรรคผลแล้วได้เห็นธรรมด้วยตนเอง ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาจากอัธกถาอังคุตรนิกายจจตุกกะนิบาตอีกปริยายหนึ่งท่านกล่าวถึงศรัทธาสี่อย่างคือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง 2. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าผลดีผลร้ายของกรรมมีอยู่จริงสืบเนื่องมาแต่กรรม สกรรมมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับมรดกกรรมเกิดมาแต่กรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น 4. ตถาคตตโพธิศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคงอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรจะตั้งศรัทธาสี่อย่างไว้ในตนให้มั่นคงสมเป็นพุทธบริษัท 2. มีศีลบริสุทธิ์ ด, ดีหรือมีเสียธรรมดีตามฐานะของตนของตนเช่นศีลห้าศีลแปศีลสิบหมายถึงกุศลกรรม บ, บทส0บการถือศีลด้าน ต้องตระหนักรู้ถึงจุดมุ่งหมายของศีลแต่ละข้อคุณค่าของศีลและโทษในการล่วงละเมิดข้อนั้นๆแต่สังเกตดูให้ดีชาวพุทธไทยส่วนมากไม่รู้สิ่งเหล่านี้รับศีลในงานพิธีแล้วถือประเดี๋ยวประดาวเท่าที่ยังไม่มีโอกาสล่วงละเมิดพอมีโอกาสล่วงละเมิดศีลก็ขาดทันทีไม่ได้ตั้งใจรักษาจริงๆแม้แต่สักข้อเดียวยิ่งพวกหนุ่มสาวด้วยแล้ว ส่วนมากไม่สนใจเอาเลยพวกเขาสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเอียงไปทางการมอร์มเียเป็นส่วนใหญ่ศีลข้อเว้นจากสุราเมรายนั้นชาวพุทธไทยร่วงละเมิดได้ยังไม่รู้สึกละอายการกินเหล้ากินเบียร์ทำกันได้อย่างปกติธรรมดา ทั้งๆ ท, ที่เป็นข้อห้ามทั้งในศีลห้าและในอบายมุกคือทางแห่งความเสื่อมสังคมไทยมีอบายมุกมากจึงเสื่อมมากแต่ไม่ตระหนักรู้ว่าเราเสื่อมเพราะอะไรดูสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้สถานเริงรมมากทำให้คนเป็นนักเลงยิงเที่ยวกลางคืนดึกดื่นเป็นนักเลงหัวไม้ดื่มสุรามรไรครบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน แล้วก็หมกมุ่นการพ น, นันเพราะอยากได้เงินโดยไม่ต้องทำงานการพ น, นันในสังคมไทยนั้นมีมากสุดมากโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแฝงเข้ามาในรูปต่างๆล้วนทำให้คนไทยมีนิสัยเสียทางนั้นคืออยากได้ผลโดยไม่เคยอยากทาเหตุให้สมควรกับผลที่ตนต้องการการเที่ยวกลางคืนดึกดื่นนั้นเป็นการผิดธรรมชาติทำให้กาลังถดถอย คุณภาพแห่งการงานที่ต้องทำกลางวัน ล, ลดน้อยลงมีอันตรายมากพระพุทธองค์ทรงสแสดงโทษของการเที่ยวกลางคืนไว้6ประการคือ 1. ชื่อว่าไม่รักษาตัวสองไม่รักษาลูกเมียสไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย 5. มักถูกใส่ความ 6. ได้รับความลำบากมากที่ว่าได้รับความลำบากมากนั้น เห็นจะสืบเนื่องมาจากสาเหตุหกอย่างข้างต้นนั่นเองเมื่อสังคมของเราไม่มีศีลไม่ปฏิบัติอยู่ในวินัยของครหอขายที่เรียกว่าขี้หิวินัยหรือขี้หิบปฏิบัติแล้วสังคมของเราก็อ่อนเปรีย้ยเพราะมุ่งมั่นในการให้ทานสอนกันมากในเรื่องให้ทานแต่ขนาดเดียวกันเราเปิดโอกาสให้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบกันยังไม่มีขอบเขต คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาตอนสตอยนักเขียนนวนิยายและนักปริรูปสังคมชาวรัสเซียระหว่างคริสตศักราช1828ถึง1910ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าถ้าคนรวยเลือกขี่หลังคนจนได้เมื่อไรเมื่อ น, นั้นโครงการสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนซึ่งมีให้เห็นกันอย่างดาดดืนจะไม่มีความจำเป็นเลย เมื่อคนระดับสูงโดยเศรษฐกิจหรือโดยฐานะทางสังคมขาดศิลธรรมมโนธรรมมีมือยาวสาวได้สาวเอาและคนระดับล่างหมกมุ่นในอบยมุกอยู่เป็นส่วนมากหวังลาบยศอย่างลมลมแรงๆงโดยการเล่นหวยเล่นการพนันต่างชนิดและอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหารเครื่องรางของขลังเพื่อดนบันดาลให้ประสบโชคลาบ ตามที่อธิษฐานอยู่เช่นนี้สังคมของเราก็มากไปด้วยคนที่ไม่มีคุณธรรมและไม่มีคุณภาพไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีแห่งพุทธศาสนาพลัดตกไปจากพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเหลืออยู่แต่เปลือกหรือชื่อเนื้อหาสาระได้หายไปผู้ชายข่มเหงสตรีมีอยู่ทั่วไปทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท ความไม่ปลอดภัยของสตรีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไว้วางใจไม่ได้แม้แต่คนใกล้ตัวของพวกเธอเองเช่นคู่รักและสามีไม่ต้องกล่าวถึงคนแปลกหน้าพวกเธอจะหวาดระแวงสักเพียงใดสภาพสังคมเช่นนี้เป็นการปิดโอกาสสำหรับคนดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในบางเวลาเพราะถูกเหมารวมเข้าไปในพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ สภาพการเช่นนี้บ่งบอกถึงความเสื่อมทรามแห่งศีลธรรมในสังคมชาวพุทธอย่างไม่มีทางแก้ตัวได้เลยแทนการแก้ตัวเรามายอมรับความจริงและช่วยกันแก้ไขดีกว่าอย่ามัวหลงตัวเองและให้ยาวหอมกันอยู่อีกเลยถ้ามัวทำอย่างนั้นอยู่ความเสื่อมทรามก็จะลุกลามต่อไปสังคมจะเสื่อมสุดลงไปทุกที ในพระสุดตันตปิดกพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์หน้าภูเขาคิจกูดเมืองราชครือว่าอานนท์เธอได้ยินใช่ไหมว่าชาวแคว้นวัดชีไม่ฉุดคร่าคมเหงกักขังกุลสตรีและกุมารีของสกุลทั้งหลายพระอนนท์กราบทูลว่าเคยได้ยินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าอานนท์ชาวแคว้นวัชชีทั้งหลาย ไม่ฉุดคร่าคมเหงกักขังกุลสตรีและกุมารีของสกุลทั้งหลายตลอดการเพียงไรชาวแคว้นวัดชีพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ตลอดการเพียงนั้นพระพุทธศาสนาได้มาสู่เมืองไทยอยู่ในสังคมไทยเป็นพันๆปีแล้วทำไมคนไทยส่วนมากจึงไม่ได้ตระหนักถึงพระพุทธพจน์ที่ตรตรัสกับพระอานอนท์นี้ จึงได้มีการฉุดคร่าคมเหงและกักขังสตรีเพื่อประโยชน์ของตนความสมใจอยากของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระสงฆ์ไทยนั้นได้รับการยกย่องจากสังคมไทยว่าเป็นกลุ่มชนที่มีศีลธรรมจริยธรรมดีที่สุดประชาชนให้เกียรติและไว้วางใจพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแต่มาถึงบัดนี้ประชาชนเริ่มไม่ไว้วางใจในศีลธรรมและจริยธรรม แม้เพียงขั้นพื้นฐานของพระเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูเถิดว่าในคนทั่วไปซึ่งมีศสรีธรรมจริยธรรมต่ำอยู่แล้วจะสุดลงอีกสากเท่าใดยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือพระวางรูปซึ่งมีชื่อเสียงทางขลังและศักดิ์สินนั้นแม้จะประพฤติผิดวินัยของสงฆ์อยู่เป็นอาจินแต่ก็ไม่มีใครถือกลับห้อมล้อมยอกย่องเป็นการใหญ่ เพราะชาวบ้านที่เข้าหาพระเช่นนั้นไม่ได้หวังบุญกุศลหรือหวังพิทักษ์รักษาพระศ า, าสนาแต่ประการใดเขาหวังเพียงวัตถุของขลังที่เขาจะได้เอาไปแสวงหาลาภผลสนองความโลภของเขาเองหรือถึงคราวที่อธรรมวาทีจะรุ่งเรืองธรรมวาทีจะเสื่อมสุดความไม่สนใจใยดีต่อศีลธรรมในสังคมไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นอยู่ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจความมัง่งคั่งทางทรัพย์สินเป็นจุดมุ่งหมายหลักวัดความเจริญของบุคคลและสังคมด้วยความสำเร็จทางวัตถุอวดกันแต่ตัวเลขไม่สนใจใ่ดีว่าทรัพยากร บ, บุคคลจะเป็นอย่างไรสภาพจิตของคนในสังคมจะยุ่งเหยิงสับสนและตกต่ำลงเพียงใดเด็กวัยรุ่นใจแตก มัวเมาโปรนเปลือตนแต่เรื่องวัตถุซึ่งผู้ใหญ่บางพวกผู้อยากได้สตังเด็กเสนอให้โดยการโฆษณาอย่างบ้าคลั่งผู้ใหญ่ในครอบครัวสารวจนยุ่งเหยิงอยู่ด้วยการแสวงหาเงินตราวัตถุมาให้เพียงพอกับตันหาซึ่งถูกเราอยู่ทุกวันโดยสภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆรอบตัวไม่มีเวลาให้ลูกหลานบ้าง ลูกหลานมั่วสมกับเพื่อนติดยาขี้เกียจเรียนขี้เกียจทำงานพลานแต่ทรัพย์สินของพ่อแม่ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากการค้ายาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและเห็นว่ากำไรดีปราบเท่าไรไม่รู้จักหมดปัญหาเรื่องพัวพันโยงใยไปลูกโซ่หรืออิทัิปัจจยตาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว สังคมชนบทซึ่งเคยพึ่งตนเองได้กลับกลายเป็นสังคมที่ขาดแคลนก็ปลกกระเพื่อเหลือแต่คนแก่กับเด็กเล็กวัยรุ่นหนุ่มสาวคนวัยทำงานอพยพเข้าเมืองหมดมาอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมหญิงมาเป็นโสเพณีและทำงานโรงงานที่มารับจ้างทำงานบ้านมีน้อยแล้วผู้ชายเหล่านี้เนื่องจากทิ้งบ้านมาจึงว้าเว วันหยุดงานก็เที่ยวเตะกินเหล้าเที่ยวสถานบริการทางเพศติดเชื้อเอชวหรือเอสเมื่อกลับบ้านนานๆครั้งจึงเอาเชื้อไปฝากเมียด้วยเพราะไม่รู้ว่าตัวติดเชื้อแล้วเอสจึงแพร่ไปถึงหญิงแม่บ้านผู้ซึ่งไม่เคยไปไหนเลยปัญหาเรื่องเอสเป็นปัญหาใหญ่มากในสังคมไทยเวลานี้เพราะมันไม่ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้น แรกเริ่มเดิมทีก็มีอยู่เฉพาะในกลุ่มพวกติดยาฉีดยาต่อมาพวกหญิงบริการทางเพศหรือโสเภณีต่อมาชายที่เที่ยวโสวเภณีแล้วก็ลามมาถึงหญิงที่ต่างงานแล้วโดยติดกับสามีสุดท้ายคือเด็กในคันซึ่งแม่ติดเชื้อเอชปัญหาฟัวพันเป็นลูกโซ่เป็นปฏิจจสมบบาทหรืออิทัปัจจยตาจริง พวกผู้หญิงพูดว่าพวกเขากลัวอดมากกว่ากลัวเอ็ดชนบทจนลงมากอดอยากพึ่งตัวเองไม่ได้อะไรอะไรมากองอยู่ในเมืองถูกเมืองดูดมาหมดทั้งทรัพยากรรักคนอันที่จริงนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนั้นอยู่ที่ชนบทคือชาวชนบททั้งหลายนั่นเองเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริงพวกเขาต่อสู้ชีวิต ต่อสู้กับความลำบากยากจนโรคภัยไข้เจ็บความอายุทีธรรมต่างๆซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับอำนาจบาดใหญ่ของผู้มีอำนาจเหนือแต่ไม่มีศีลธรรมเมื่อต้องมีคดีขึ้นโรงศาลพวกเขาก็รำพึงรำพันกันว่าพวกเขาคงสู้ไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะสู้คำพูดอย่างนี้แสดงอะไร แสดงว่าการต่อสู้ในโรงศาลนั้นใครมีเงินมากพวกนั้นชนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าใครผิดใครถูกเพื่อความยุติธรรมในสังคมศีลธรรมของผู้ปกครองหายไปไหนหายไปได้อย่างไรหายไปกับความโลภในลาบของผู้ปกครองหายไปเพราะวัตถุนิยมเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นเอาความเจริญทางวัตถุเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตคนจึงกลับมีค่าน้อยกว่าเงินความยุติธรรมมีค่าน้อยกว่ายศศิลาบสการะอันผู้ปกครองจะพึงได้ชีวิตคนชนบทจึงต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองอย่างน่าสงสารที่กล่าวมาโดยย่อนี้เพื่อใหเห็นว่าศีลธรรมนั้นสำคัญต่อความสงบสุขและความดีงามของมวลมนุษย์เพียงไร ท่านอาจารย์พุทธธาสได้กล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาตและว่าถ้าคนทั้งโลกเขาไม่เห็นด้วยในการทำให้โลกมีธรรมะเพราะเห็นว่าเหลววิสัยก็ตามใจเขาเราคนเดียวก็อาจทำตนเองให้ดับทุกข์ได้ด้วยธรรมะอย่างถึงที่สุดดังนั้นอย่าได้ท้อใจเลยในการที่คนทั้งหลายเขาไม่สนใจใยดีกับธรรมะ